วันนี้อาธมาเขจะขอพูดเรื่องความจิบและความตาที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อเข้ากับบรรยากาศเพราะวัดเราเพิ่งจะเผาศพไปเมื่อไม่กี่วันเองอย่างเมื่อกี้อาจารย์ฟองก็สวดบทไม่ประมาทแล้วก็บทพิจารณาสังขารพิจารสังขารเนี่ยในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์เคยใช้กับพระอยู่รูปหนึ่งซึ่งป่วยหนักพระรูปนี้ก็คือพระทิศมีแผลผุพองทั้งตัวได้รับทุกขเวทนามากไม่สามารถ ลุกลืดไปทำอะไรได้จนตัวเดเม็นไปด้วยกลิ่นอุจจาระกลิ่นปัสสาวะไม่มีผ้าดูแลจนพระพุทธองค์เนี่ยต้องไปดูแลด้วยตวพระ อ, องค์เองพุทธองค์ก็ไปเอาผ้าเช็ดเอาจีวรไปซักให้แล้วก็บอกให้พระทิศสาเนี่ยพิจารณาสังขารพอเห็นว่าสังขารเนี่ยมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็ หาประโยชน์อะไรไม่ได้เหมือนประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนพุทธิสาวกพิจารณาไปคราเวทนาแก่กล้ามากจนกระทั่งสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในขณะที่สังขารจะแตกดับเพราะบทเนี้คือสมัยพุทธกาลพระแต่รูปที่อยู่กับพระพุทธองค์เนี่ยจะมีอิจิแก่กล้าอยู่แล้ว แต่จะรับวิบากไม่เหมือนกันบางคนก็เสวยบุญบางคนก็เสวยวิบากอย่างพระโมคคัลลานะก็ถูกโจรมาทุบจะตายร่างกายแหลกเหลวถึงเป็นบรรลุอรหันต์แล้วแต่ก็ต้อชดใช้วิบากกรรมที่เคยก่อแต่ละคนยังตายไม่เหมือนกันอย่พวกเราเนี่ยเขคงจะได้ยินข่าวคนตายทางวิทยุทางโทรทัศน์หรืออ่านทางหน้าตามหน้าของสือพิมพ์เราเห็นคนตายทุกวันคนเจ็บคนตาย เราอ่านผ่านไปเดี๋ยวเราก็ลืมเพราะเราไม่รู้จักคนที่เจ็บคนที่ตายแต่ถ้าวันใดเราอ่านเจอคนที่รู้จักวันนั้นเนี่ยเราจะสะดุดใจอย่ารามาเนี่ยเคยเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อก่อนอามาเคยอ่านหนังสือพิมพ์นะวันที่ไปกิรับผิดในบุญไปมหาสาครคามวันนั้นไปกับพวกหลวงพ่อแล้วไปกับหลวงปู่อรเทพวันนั้นก็มีการกินโต๊ะจีนด้วยเจ้าภาพเขเลี้ยงได้ตัดแว่นใหม่ไดชีวิตไม่เคยตัดแว่น ตอนนั้นก็ดีใจนะจิตจิตมันมีความดีใจพอครั้งแรกที่เดิน ว, ว่าสายตาประกอบแว่นแล้วตอนขากลับแวะซื้อนังสือพิมร้านเซเว่นซื้อมาอ่านปุ๊บเนี่ยไปเจอข่าวอยู่ตอนแรกดูข่าวก็เห็นพระรูปเดึงถูกถูกฝนันฝันถูกฆ่าตายสยองก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่พอเลือไปดูชื่ออาพระรูปนี้เราคุ้นๆ น, นะสัพ า, างดูอีกทีอา้าวพระรูปนี้เรารู้จักเนี่ยตอนนั้นจิตมันเปลี่ยนละชื่อพระสุโพธ อำเภอกวางเชียงใหม่เมื่อก่อนเคยอยู่สวนโมกด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทอาจารย์เปีสานด้วยคือโดนคนร้ายใช้ของมีคมฆ่าตายสยองอานาถมากขนาดนั้นระบาจิตตกเลยจากเมื่อกี้ที่ดทได้ลาศักระมาเนี่ยตอนั้นจิตมันกำลังฟูอะพอรู้ว่าพาที่รู้จักตายเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยเ ล, ยลาศักระเราได้มาเราจะรู้สึกว่า มีความหมายสงสารพให้รู้จั ก, กกันจิตก็หดหูทันทีคืนนั้นนอนไม่หลับเลยแล้ววันวันลุกขึ้นก็ไปมาก็ไปบอกหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยไปงานศพด้วยกันไปที่วัดชนศพตั้งอยู่วัดชนแล้วมีอีกครั้งหนึ่งที่เหตุการณ์นี้อาตมาเป็นคนเกิดเกิดกับตัวเองนะเมื่อก่อนอาตมาอยู่มูลที่หลวงทเทียนเมื่อก่อนอาตมาอยู่อยู่วัดป่าสุกโตก่อนแต่อาตมาเนี่ยเป็นคนกลัวกลัวกิจกรรมเราก็จะหนีไปมูลที่ อันมากลัวการบวชเนรกลัวการเดินทําญาตากลัวการแสดงทุกชีนิตแหละเป็นคนที่ชอบหลบชอบใช้ชีวิตแบบเงียบๆก็เลยเมองว่าสุข็โตไม่เหมาะกับเราเราต้องปิดวิเวกไปอยู่วัดที่มันกิจกรร ม, มน้อยๆคนน้อยๆตอนนั้นไม่คิดกลับสุข็โตแล้วแหละตั้งตั้งใจว่าจะไปอยู่อยู่อยู่มุลนธิธิหลวงพ่เทียนตอนนั้นมีหลวกวิชัดเป็นเจ้าสํานัก ก็มีสายคล้ายกาันหลุวิชาติก็ไม่ชอบผู้กิจกรรมก็ใช้ชีวิตอยู่เงี ย, งยบๆอยู่กันไม่กี่คนในใ น, ในสํานักมูลนิธิเมือม่อประมาณออกพรรษาปีสองห้าสี่เก้าก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นคือเมื่อเย็นวันนั้นหลุกวิชติเนี่ยคืมใจยังไงก็ไม่รู้เอาอีโต้ขึ้นไปขึ้นบนหลังคาไปฟันกิ่งไม้แล้วก็ไปาหลังคาท่านก็ฟันของท่านน่ สักพักหนึ่งก็เสียงละโค้มหล่นลงมาหัวฟาดโต้ะหล่นมาฟาดกระแทกคือทะลุลงมาเลยนะทะลุทะลุทะลุกระเบื้องออกมาหัวหัวฟาดพื้นมือกามิโต้อยู่เลือดท่วมขาเพราะท่านเหยียบไปตรงตรงเงี่ยงที่กระเบื้องอะ่ะซึ่งพระที่อยู่ในนั้นก็ช่วยกันมาดูตอนนั้นมาตกใจมากนะสิ่งที่คิดได้ก็คือต้องรีบพาหลวงพิชติตไปหาหมอเร็วที่สุด ก็รีบไปตามรถที่อยู่ขา้างหน้าบริษัทแล้วก็รีบไปเอาช่วงนั้นมือถือหลวงวิชัดเพิ่งจะได้มาใหม่นะท่านก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรออนามาก็เล่นไม่เป็นก็คว้ามือถือท่านคว้ายา่ามฟาจีวรได้ก็รีบเอาท่านไปหาหมอแถวๆนั้นน่ะให้เร็วที่สุดอันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่น่าตระหนกมากเพราะว่าหลวงวิชัดอาการหนักอยู่แล้วท่นนึกว่าวิกฤตคือเฉียดตายเกือบๆตายก็ได้ตอนนั้นน่ะมีการตัดสินใจใเร็ว ไปหาหมอนี่หมอก็จะไม่การรักษานะแค่ทําแผลให้เฉยๆต้องติดต่อญาดติดต่อญาดเนี่ยอนามาก็โทรไม่เป็นก็โอ้โหต้องเราไม่มีทางเลือกอะ่ะตอนนั้นเลยโทรศสารไม่เป็นก็ต้องโทรติดต่อคนนู้นคนนี้ม่วยหมดอะ่ะเขาโทรกลับมาก็รับไม่เป็นอีกเพราะโทรศสท์มันล็อกซึ่งช่วงนั้นคนนี้โทรศัพท์ไม่เป็นก็ทําได้แบบทุรักทุเลอะ่ะแต่ก็โทรตับเครื่องนี้ก็ช่วยชีวิตท่าน โทรไปหาญาติสำเร็จติดต่อคนนู้นคนนี้ได้สุดท้ายโรงพยาบาลไม่กล้ารับก็ต้องไปนู่นนะไปอีกโรงพยาบาลใหญ่ที่อยู่ตรงขะฟฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคือนั้นเอามาก็หอยกระบุญทิธิก็ตีสองท่านเข้าห้องบ่าตัดไปคืนนั้นก็นอนไม่หลับทั้งคืนเลย ค, คือสงสารเพื่อนแล้วคดหูใจมากไม่คิวเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้น วิชาตเมื่อก่อนเนี่ยท่านเป็นพระที่มีอโหสิกรรมมากถ้าจบธรรมศาสตร์มาแล้วท่านเป็นนักเทศท่านแตกฉานในธรรมะมากถ้าคุยกันเนี่ยถ้านเป็นคนฉลาดรอบรู้ทั้งทุกเรื่องเมื่อจะเป็นเรื่องเซนเรื่องธรรมะต่างๆเนี่ยท่านจะไม่เหมือนคนตอนที่เราเห็นอยู่สมัยนี้นะตอนตอนนี้จะเป็นคนที่ความจําเลอะเลือนไม่ได้เชื่ออมายังจําไม่ได้เลยสมัยก่อนไม่ใช่คนคนนี้ ท่านจะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายเหมือนกันมีคนปรึกษาธรรมะมีคนมาทำบุญคือหลวงวิชาดเนี่ยเป็นคนที่หลวงพ่อทองเนี่ยมองไว้ว่าจะเป็นให้เป็นตัวแทนของท่านคือให้เป็นรักษาการเจ้าวาดพระสนามในแต่หลวงวิชาดก็ปฏิเสธมาตลอดแต่ช่วงที่เกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยชีวิตก็พลิกผันก็ไม่มีใครคาดชิดได้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันอยู่ตั้งอยู่ในความไม่เที่ยงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ต่อให้อนาคตสดใส ย, ยังไงก็ตามช่วงท่านตกหลังคาเนี่ยท่านมันษาสิบเ็ดตอนนี้ท่านบรรษาสิบแปดแล้วชีวิตท่านก็พลิกผันนะจา ก, กาเคยมีอนาคตสดใสช่วงลุงโลดเนี่ยเป็นว่าที่จเจ้าวาดหลายแห่งก็ต้องมากลายเป็นแบบนี้เพราะอุบัติเหตุสุดแล้วอุบัติเหตุเนี่ยเกิดเกิดขึ้นก็นได้กับทุกคนและเป็นสิ่กล้ตัวด้วยอุบัติเหตุความตาย เรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งเมื่อก่อนอดีตมาได้ดีนข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะคือมีคนจบปริญญามาแล้วฉลองฉลองจนเมาแล้วก็ขึ้นทางด่วนนั่งรถมากับเพื่อนชายคนนี้อยากอ้วกมากก็ลงไปอ้วกไม่รู้ยังไงทำให้จะอยากอ้วกบนทางด่วนพอลงไปอ้วกเนี่ย ก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นรถมีล้ออยู่ล้อหนึ่งวิ่งมาชนล้อวิ่งมาชนคนที่กำลังอ้วกอยู่พอดีเลยโดยที่รถคันนั้นนะมีสิบล้อนยแต่ว่าแต่ว่าวิ่งไปแค่เก้าล้อล้อที่มันหลุดมามันเหตุการณ์มันเหมาะเจาะพอดีเหตุการณ์ไม่คาดเคลื่อเลยไหมนาทีเดียวก็ทาให้คนคนนี้ตายขนาดเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆฉลองการจบปริญญา ชีวิตคนเราจึงไม่เที่ยงอะไรเกิดขึ้นได้แล้วก็มีชายอยู่คนหนึ่งเข้าไปยืนฉี่ในปั๊ม น, น้ามันปั๊ม น, น้มันก็เป็นกองยางขณะที่ยืนฉี่อยู่นั้นเพอเอตรงนั้นมีงูเห่าตวัวงูมันก็พ่นพิษใส่คนที่ไปยืนฉี่ตาบอดเลยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องที่อาตมาจามาจากหนังสือพิมพ์แล้วก็เอามาเล่าให้ฟังเพราะว่า สิ่งเหล่านี้ไมนสิ่งเกิดขึ้นได้แล้วมีคนอยู่คนนึงนี่รู้สึกว่าเป็นแถวแถวการนะเอางูเหลือมามามาค้องคองเล่นคิดว่าไม่มีอะไรยังหนุบยังแน่นอยู่ปรากฏว่างูเหลือมรัดคอถ้าตายเลยอันนี้เป็นเหตุการณ์ง่ายๆแต่ก็ทำให้ตายได้เพาั้นความตายอยู่ใกล้เรามากนะความตายอุบัติเหตุต่างๆไม่ได้อยู่ไกลเลย อย่างธรมาเนี่ยเมื่อวันวันกรกรเนี่ยอรรมาเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองวันนั้นเนี่ยทำความสะอาดสาลาหน้าก็ชวัดชฉวียงใบชวดเฉียงมาเพราะว่าลื่นมากสาราหน้าเนี่ยเราก็เดินแบบต่างทางขาเอาตัวรอดมาได้เพราะเราเราระวังอยู่แต่เรามากลับที่กุฏิแล้วเราไม่ระวังก็แหละคิดว่าไม่มีอะไรเพราะฝาได้คิดว่าไม่มีอะไรนี่แหละก็เลยลื่นตัวลอยทั้งตัวแล้วก็ ล้มมาทับแขนขวาขนาดนั้นปวดมากคิดว่าแขนหักแล้วเพราะการล้มนี่แรงเพราะธนาเดินเร็วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ระวังด้วยพรวดเดียวแหละลอยทั้งตัวแล้วก็ทับทันทีเลยคือตอนนี้ก็ยังไม่หายยังเจ็บอยู่เพราะธนาเจ็บเจ็บปุ๊บเราก็ตันหนักเลยว่าเราเนี่ยประมาทมาตลอดความเจ็บเราเห็นเลยเพื่อนเจ็บแต่เราเองไม่ค่อยได้เจ็บเองอย่างเพื่อนเราเนี่เจ็บอยู่ใกล้ตัวก็มีหลายคนอย่างหลวงพี่นุ่ม หลวหมูว่าอาจารย์ทองขานเนี่ยตอนนี้ก็นอนเดี่ยงอยู่โรงพยาบาลเนี่ยไม่มีทีท่าจะออกมาได้หรือคนป่วยหลายคนและอีอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่เจ็บเพราะะนั้นความแก่ความแก่นี่ก็อยู่กับเราตลอดอย่างเมื่อก่อนเราอายุยังหนุ่มยี่สิบกว่าสามสิบกว่าปั๊บเดียวเนี่ย ป, ปีนี้เราก็ใกล้อีกไม่นานก็ห้าสิบแล้วซึ่งอายุเนี่ยกาลเวลาผ่านไปเร็วมากบางทีเราก็ประมาทในไวัยได้ แป๊บเดี๋ยว อ, อีกไม่กี่ปีก็หกสิบถ้าอยู่ถึงนะฉนั้นคนที่หนุ่มก็อย่าคิดว่าตัวเองจะไม่แก่ให้เราจะมีคนแก่เป็นเพื่อนตลอดบางคนก็แก่อย่าในวัดเราก็มีแก่มากแก่น้อยหรือบางคนก็หนุ่มจะระประมาณไม่ได้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่ควบคุมไม่ได้มีห้าอย่างมีอายุความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ เวลาที่จะตายแล้วก็สถานที่จะตายแล้วคติที่จะไปอันนี้เราไม่สามารถควบคุมได้อายุเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงเท่าไหร่บางคนเนี่ยสิบสิบปียี่ปีก็ตายแล้วบางคนอยู่แปดสิเก้าสิบปียังไม่ยอมตายก็มีเอาแน่นอนไม่ได้อยูเราสร้างเหตุไว้เหมือนกันฟาเจ็บไข้เราเร า, เราก็ไม่รู้นะวันนี้เราสุขภาพอาจจะดี อาจจะแข็งแรงเดินเหินสะดวกแต่เราก็ไม่มีหลักประกันว่าเราจะป่วยเกิอดอุบัติเหตุต้องเดียงอย่างพวกลูงวิชาญเนี่ยหลูวิชาญที่อาณาาจะเล่าได้แแบบสนิทใจเพราะอาณาาลสนิกับท่านแล้วอยู่ในเหตุการณ์พอเหตุการณ์นั้นก็ทําชีวิตท่านเปลี่ยนแต่ท่านประมาทด้วยแหละเพราะท่านชอบขึ้นต้นไม้ชอบอะไรสูงๆอาณาบาลเคยเตือนท่านหลายทางแล้วท่านก็ไม่เชื่อบทเรียนครั้งเดียวนี้ไม่มีโอกาสแก้ตัวเลย ท่านชอบฟานจริงไม้ชอบขึ้นกระไดทุ่งสูงอันนี้เป็นนิสัยของท่านอันนี้อันนี้เราไม่มีหลักประกันบาิเหตุนีสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวฟ้าเจ็บไข้ด้วยเวลาที่จะตายเราไม่รู้เลยจะตายเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนไม่มีใครรู้ได้สถานที่จะตายเราก็ไม่รู้จะตายที่ไหนตายบนบกตายในน้ำ ตายต่างประเทศตายในบ้านตดยอกบ้านไม่มีหลักประกันเหมือนกันคติที่จะไปก็เหมือนกันคติที่จะไปก็ไม่มีหลักประกันยกเว้นคนที่บรรลุโสดาบันขึ้นไปแล้วจึงถึงปิดอวัยภูมิได้แต่ถ้าเป็นปุถุชนก็ต้องเป็นไปตามยถากรรมอย่างใน facebook เนี่ยขอจารย์ไปสารจะมีปัญหาถามตอบซึ่งอาตมาจะโพสต์อยู่หลายครั้ง ก็มีถามเรื่องกว่าเกี่ยวความตายว่าถ้าเราอยางตายปุ๊บปั๊บฉับพันเนี่ยเราจะวางใจอย่างไรอาจารย์ไปศาลท่านก็ตอบว่าถ้าตายปุ๊บปั๊บฉับพันอาจจะตายด้วยรถชนกันหรือเครื่องบินตกหรือโดนฆ่าตายเพื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้คืออุบัติเหตุต่างๆเนี่ยซึ่งถ้าตายอฉับพันเนี่ยอาจารย์ไพศาลบอกว่า ขณะนั้นอาจจะไม่เจ็บเพราะตายก่อนที่จะเจ็บแต่มันก็อดไม่ได้ที่จะโนกกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคือจิตขณะนั้นเนี่ยถ้าวางใจผิดเนี่ยไปคิดถึงเรื่องไม่ดีเนี่ยมันก็ไปเอาใบพรมได้เหมือนกันคือถ้าสีท่ทําได้ก็ต้องปล่อยวางแล้วจิตใจจดจ่อสิ่งที่ดีงามคิดถึงพระนาตายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงครูบาอาจารย์แล้วก็ปล่อยวางสีขังคาใจให้ได้แล้วยอมรับความตายที่จะเกิดขึ้น อยงาไปดีได้แต่เราไปคิดถึงเกียด ค, โโโคนนู้นโกรธคนนี้คิดถึงเรื่องไม่ดีเนี่ยจิตใจมันจะวุ่นวายขนาดนั้นเน่ยจิตใ จ, จไม่จะไม่สงบซึ่งปัญหาที่มีคนถามบ่อยมากแล้วถ้าดูฆ่าตายเนี่ยอาจารย์ปียสายก็บอกว่าให้อภัยคนที่ฆ่าเราโหติกรรมถ้าเกิดเราเกลียดพยาบาทอาฆาตคนที่ฆ่าเนี่ยมันจะมีการจองเวรเกิดขึ้น ในพบหน้าด้วยแล้วทำให้เราตายตายไม่ดีคือไปทุกขติแต่ถ้าเราปล่อยวางยอมโดยเ่าช่าชใช้กรรมไปอาหสุสิกรรมอาจจะไปดีได้แต่เรื่องที่ผู้ที่ทำยากนะไม่ได้ทำง่ายนะแต่เป็นสิ่งที่ทำได้เพราะจากไปสาเนี่ยท่านจะมีกุศโลบายอยู่4ี่อย่างสำหรับยอมรับสาหรับรเผชิญความเจ็บไข้ความป่วยแล้วคนใกล้ตาย กุศลบายสี่อย่างก็คือหนึ่งยอมรับความเป็นจริงเพราะคนเราเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยยอมรับความเป็นจริงว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคถ้าเรายอมรับความเป็นจริงได้เนี่ยเราก็สามารถทําใจได้ขณะความตายเกิดขึ้นจริงตา ย, ค, ตายคือตายยอมรับได้ก็จะสามารถทำให้ใจเราเนี่ยปล่อยวางได้สงบได้ และข้อที่สองทำจิตใจให้จดจ่อสิ่งที่ดีงามซึ่งข้อนี้ก็ทํายากอยู่เหมือนกันนะจดจอ่อจดจ่อสิ่งที่ดีงามก็คือนึกถึงนึกถึงพระรนะตายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงหน้าคูบาอาจารย์นึกถึงความดีเราเคยทําเราเคยสร้างบุญกุศลอะไรไว้แล้วก็นึกถึงสิ่งนั้นเพราะโดยทำชาวจิตเนี่ยมันไม่ค่อยนึกถึงความดีหรอกมันเป็นึกถึงเรื่องไม่ดีนึกถึงว่าไอ้คนนู้นเคยด่าเราเคยว่าเราคนนู้นไม่ดีกับเรา นึกถึงสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตมันจะจําไม่ลืมเลยอย่างบางคนเนี่ยพ่อแม่ดีกับลูกเนี่ยร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งลูกก็ไม่จำเท่าไหร่นะเพราะชินชาความดีแต่พอลาพ่อแม่เนี่ยดุดาลูกขัดใจลูกลูกไะจําไม่ลืมเลยคนรักก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้เราต้องมาฝึกฝึกให้นึกถึงความดีคนอื่นให้เข้ามา ก, มากอันนี้ก็ช่วยได้เพราะถ้าคนเราไม่ฝึกเนี่ยจิตมันจะนึกถึงเรื่องไม่ดีนึกถึงเรื่องเลวร้าย และตายก็ตายไม่ดีได้และข้อที่สามข้อนี้ก็สำคัญปลดเปื้องสิ่งค้างคาใจเพราะโดยโดยธรรมชาติคนเราทุกคนเนี่ยย่อมมีแบบมีคู่กรณีมีเจ้ากรรมในเวรอาจจะเคยขัดใจคนนน้นขัดใจคนนี้ร่วมเกินคนโน้นเรื่องร่วงเกินคน น, น, ค น, นี้บางครั้งเนี่ยถ้าเรามีชีวิตอยู่ด้วยกันเราก็ต้องขอโทษขอโพวกันเพื่อจะได้เคลีย แต่ถ้าเกิดมีหลายคนเกินไปเนี่ยขาดที่จะตายเนี่ยอาจจะนึกนึกถึงหน้าคนเราเกลียดขึ้นมาก็ได้อันนั้นอาจจะไปไม่ดีก็ได้บางคนเนี่ยมีปัญหากับพ่อกั บ, กบแม่จนหนีไปก็มีโดยไม่มาขอโทษขอโพยหรือบางทีพ่อทำลูกโกรธแล้ ว, แ ล, วแล้วก็ไม่ได้คืนดีกันก็มีคนรักญาติพี่น้องเนี่ยหรือแม้กระทั่งเพื่อน ด, ด้วยกันก็มีบางทีเพื่อน เพื่อนเราไปขัดใจเขาล่วงเกินกันเนี่ยไม่ได้ขอโทษขอโพยยามตายเนี่ยมันก็ผุดขึ้นมาได้ทางที่ดีก็คือปลดเปลื้องสิ่งค้าค้างขาใจก็คือข อ, ขอโทษขอโพยโหดร้ายกรมต่อกันแล้วก็เจ้ากันในเรืเอ่องโิกรรมอันนี้ก็ทำให้จิตไปดีได้แล้วข้อที่สี่เนี่ยข้อนี้สำคัญที่สุดเลยปล่อยวางปล่อยวางทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นการงานที่ข้างค้าง ไปวางครอบครัวญาติพี่น้องทรัพย์สมบัติต่างๆที่เรามีอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่เรายืมมาเรามาแต่ตัวเวลาเราไปเราก็ไปแต่ตัวชีวิตเราไม่มีอะไรเลยนะเกิดมาเนี่ยเรามาตัวเปล่าแล้วก็ไปตัวเปล่าไม่มีเอาเราไม่สามารถเอาสมบัติของโลกเนี่ยไปได้เลยไม่ได้ชิ้นเดียวต่อให้รวยแค่ไหนก็เป็นสมบัติของโลกต่อไปโลกเี่ยเปรียบเหมือนโรงแรมที่เรามา มาพักชั่วคราวค่าเช่าของเราคือบุญระบาปพราหมดบุญระบาปเขาก็ไม่ให้เราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเราก็ต้องปล่อยวางยึดอะไรไม่ได้ไม่มีของเราสักชิ้นหนึ่งตอนนี้เราไปชีวิตอยู่เราก็ใช้ไปเวลาอย่างถ้าเป็นพระตายเราก็เราคืนของให้สงหมดอะเราไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยสมบัติก็ไปของเพื่อนไปของวัดไปใครมีมากก็ทุกมากอะ่ะ คือใครมีสมบัติมากคนนั้นก็ห่วงมากอันนี้รถกูอันนี้บ้านอันนี้กูดกูอันนี้ต้นไม้กูคือยึดคือมีแต่ของกูนั่นแหละทีนี้ปาจิตมันก็ห่วงจิตมันจะเกาะและ้วจิตจะเกาะเกี่ยวอารมณ์ถ่ายเป็นทุกข์หรือแม้ก็ห่วงแห่งการงานให้เราเราครอบครองอยู่อันนี้หน้าที่กูตำแหน่งกูเราสูญเสียหมดไม่มีเราไม่สามารถ ยึดสิ่งเหล่านี้ได้เลยเราเล่นเราเป็นหัวโขนเล่นละครที่ก็กกำหนดให้เท่านั้นเองไม่จริงไม่ได้เพราะหัวโขนเนี่ยเราอย่างเราเจอเจอลูกกับเราก็คือพ่อเราเจออาจารย์เราก็เป็นลูกศิษย์เราเจอลูกศิษย์เราก็เป็นอาจารย์เราเจอเราเราจะเปลี่ยนบทตลอดอะ่ะเราไม่เราไม่สามารถอยู่กับหัวโขนได้ตลอดเวลาเราต้องปล่อยวางให้เป็นใช้ให้เป็นบางคนเนี่ยไม่รู้ ว่าเราเปลี่ยนแล้วก็ยึดในยึดอย่างไปอาจารย์เราก็คิดว่าเราไปอาจารย์ตลอดนี่ยุ่งเลยเพราะว่าเราไม่มีเราไม่สามารถยึดได้เราก็ต้องเราก็คิดเราไปอาจารย์บางทีเราก็เป็นพานโลงก็มีบางครั้งเราก็เปลี่ยนบทอะ่ะบางทีเราก็ไปกรรมกรเป็นทุกอย่างอะแล้วแต่เหตุการณ์ไม่สามารถยึดได้เลยเพราะถ้าใครยึดดีเสร็จเลยนะมันจะติดในภพภูมินั้นมันจะมีตัวตัวกูของกูยึดอยู่ เพราะสิ่งธรรมะที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนมาเพื่อลดละตัวกูของกูใครลดละตัวกูมากคนนั้นก็จะจะเข้าใจธรรมะมากและทุกน้อยแต่ใครยึดตัวกูเยอะคนนั้นก็มีปัญหาเยอะอะไรก็ล่วงเกินกูอันนี้ก็กูของกูหมดคนนั้นจะจะทุกมากเพราะไปไหนต้องแบกตัวกูตลอดเดี๋ยวคนนี้ไม่ไหว้เราคนนี้ไม่มาทักทายเราคนนี้ไม่ให้เกียรติเราวุ่นวายหมดละ ชีวิตคนเราเอาแน่นอนอะไรไม่ได้สิ่งที่สิ่งที่สาคัญก็คือลดความเห็นแก่ตัวหรือทำลายความเห็นแก่ตัวการปล่อยวางเนี่ยคือก็ปล่อยวางหลายเรื่องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างคือเรามาแต่ตัวเราก็ไปแต่ตัวแล้วก็ทิ้งสมบัติให้เป็นของโลกไปแล้วยอมรับความเป็นจริงอันนี้ก็ช่วยได้อาจารย์เปี่สานมีประสบะการณ์เรื่องการวางใจสำหรับคนเจ็บป่วยและคนใกล้จะตาย อย่าบางคนไม่รู้เนี่ยก็ไปให้หมอเนี่ยให้ออกซิเจนแล้วก็กระตุ้นหัวใจตลอดเพราะเราไม่อยากอตายบางช่วงเนี่ยขนาดวางใจได้เนี่ยก็ถูกก ร, กระตุ้นให้ตื่นขึ้นมาถอยไปไม่ดีได้เหมือนกันเพราะถ้าปล่อยให้ผู้ตายเนี่ยตายอย่างสงบตายปล่อยวางเนี่ยผู้ตายสามารถไปดีได้คือความตายเป็นสิ่งที่คนเราหนีไม่พ้นแล้วอยู่ใกล้ตัวเรามากแค่วูบเดียวเท่านั้นเองแลไปแล้วอุบัติเหตุเหมือนกันอุบัติเหตุกเกิดขึ้นได้ ต้งแต่มาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเรมาก็เห็นคุณค่าชีวิตเลยว่าเราเนี่ยประมาททุกสิ่งทุกอย่างของเราเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าภาพจริงชีวิตแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรายึดดูยึดนี้มากเนี่ยเราก็จะทุกข์ไม่สามารถยึดอะไรได้แล้วความทุกข์เนี่ยจะสอนสัจจธรรมได้ดีกว่าความสุขมันทําให้เราเดี่ยไม่ประมาทคือทาให้เราเห็นเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจริงชีวิต เราสามารถหาโอกาสหาโอกาสเรียนธรรมะจากความทุกข์ได้จากความป่วยความเจ็บได้ทาให้เห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นความเจ็บปวดของเวทนาที่เกิดขึ้นสิ่ง น, นั้นเราหลีกเลี่ยงไม่พ้นหรอกทุกคนต้องเผชิญแต่เผชิญเวลาไหนเท่านั้นจยางหลวพระพุทธท่านเนี่ยถ้าก็มองว่าเนี่ยขณะที่คนเราใกล้จะตายเนี่ยในเซี่ยววิทยาทีสุดท้ายเนี่ยต่อยโดนระเบิดตายโดนยิงตาย รถชนตายเนี่ยมันจะมีจิตอยู่ยังปล่อยวางทันคือตกกระไดพอโจอไปนิพพานได้หลวงพ่อเทียก็เหมือนกันหลวงพ่อเทียก็เคยพูดไว้ว่าจิตขณะที่ตายเนี่ยมันจะปรากฏภาวะขึ้นมาถ้าเราสามารถตกระไดพอโจอได้เนี่ยเราก็สามารถหลุดพ้นได้เหมือนกันนะแต่เป็นลูกฟุก๊กซึ่งก็ไม่มีหลักประกันนั้นเราก็ต้องฝึกไว้ก่อนดีที่สุดอย่างลายทองกรหลวงพ่อพุทธทาสให้ฟงังกรนเนี่ยคือกรดับไม่เหลือ แต่เป็นกองที่สําคัญอันมาชอบเพราะว่าบางทีเราเนี่ยยังไม่ปุู้ดูชนอยู่ถ้าตายฉับพันเนี่ยเราสามารถอกรีไปใช้ได้เพราะเป็นกองที่ตกไดพอยโจรกองดับไม่เหลือหลวงพ่อพุทธธาต์แต่งไว้เพื่อให้คนเนี่ยสามารถตกไดพอยโจรได้ขนาดที่ตายฉับพันอย่เข้าใจไปว่าต้องเรียนมากต้องปฏิบัติระบาก ถึงพ้นได้ถ้ารู้ความจริงสิ่งเดียวก็ง่ายได้รู้ดับให้ไม่มีเหลือเชื่อก็ลองเมื่อความเจ็บไข้ความตายจะมาถึงอย่าพันพึงหวาดไหวให้หมนหมองระวังให้ดีๆนาทีทองคอยจดจ้องให้ตรงจุดหลุดได้ทันถึงนาทีสุดท้ายอย่าให้พลาด สรางสติไม่ประมาทเพื่อดับขันด้วยจิตว่างปล่อยวางทุกสิ่งอันสารพันไม่ยึดครองเป็นของเราตกกระไดพลอยกระโจนให้ดีๆจะถึงที่บุ่งหมายได้ง่ายเข้าสิ่งสุดท้ายดับไม่เหลือเมื่อไม่เอาก็ดับเราดับตนโดนนิพพานอานมาก็ขอจบแค่นี้นะขอพระสุขความเจริญจงมีแก่ทุกท่านสาธุ